สีชัดติงสะกะว่าด้วยกรณีตัวอย่าง36กรณีพิกษุกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังคาทิเศษพิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้พิกษุกำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวในระหว่าง มีจานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ปิดไว้สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมทานปริวาท เพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม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 ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนั บ, ไ ม, ไ, ไ, บไม่ได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสองพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโุทานปริวาสเพื่ออาบัติตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้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 ในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้บ้างมีจำนวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมุทานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น ภิกษุผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัตสังคาทิเศตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่มานัตและภิกษุผู้ประพฤติมานัตต้องอาบัตสังคาทิเศตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุผู้ประพฤติมานัดและพึงอธิบายให้พิสดารเหมือนการอยู่ปริวาสภิกษุผู้ควรแก่อัภานต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อัภานต้องอาบัติสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ ไม่ได้ปิดไว้สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิกษุผู้ควรแก่อพันต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ปิดไว้สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโอทานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อน บรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อับพานต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหวา่างมีจำนวนนับได้ปิดบังไว้ไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม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 ฉัดติงสกะจบ